ระตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สิบมหาสติปัฏฐา น, นสูตรสูตรว่าด้วยการตั้งสติอย่างใหญ่พระผู้มีพระภาคประทับณ น, นิคมชื่อกรมมาสธรรมะแคว้นกุรุตรัสสอนภิกษุทั้งหลายว่าหนทางเป็นที่ไปอันเอกเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์เพื่อก้าวล่วงความโศกความคร่่าครวญ เพื่อให้ความทุกกายทุกใจตั้งอยู่ไม่นานเพื่อมันรู้ธรรมที่ถูกต้องเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานคือการตั้งสติสี่อย่างได้แก่ 1. ตั้งสติกำหนดพิจารณากายในกายในวงเล็บกายส่วนย่อยในกายส่วนใหญ่สำหรับพิจารณากายในกายนี้เพียงพิจารณาลมหายใจเข้าออก ก็ถือว่าลมหายใจเป็นกายอย่างหนึ่งลมหายใจจึงเป็นกายส่วนย่อยในกายส่วนใหญ่ 2. ตั้งสติกําหนดพิจารณาเวทนาในเวทนาคือความรู้สึกอารมณ์ส่วนย่อยในความรู้สึกอารมณ์ส่วนใหญ่ 3. ตั้งสติกําหนดพิจารณาในจิตจิตส่วนย่อยในจิตส่วนใหญ่ คือจิตดวงใดดวงหนึ่งในจิตที่เกิดขึ้นดับไปมากดวง 4. ตั้งสติกำหนดพิจารณาธรรมในธรรมธรรมหรือธรรมะส่วนย่อยในธรรมส่วนใหญ่การพิจารณากายแบ่งออกเป็นหกส่วน 1. อานาปานาบับพิจารณากำหนดลมหายใจเข้าออก 2. อิริยาะะบถบบัพิจารณาอิริยาบถของกายเช่นยืนเดินนั่งนอน 3. สัมปชัญญะบับพิจารณารู้ตัวในความเคลื่อนไหวเช่นก้าวไปก้าวมาคู่แขนเหยียดแขนกินดื่มเป็นต้น 4. ปฏิกูมณสิการบบับ พิจารณาความน่าเกลียดของร่างกายซึ่งแบ่งออกเป็นส่วนย่อยต่างๆมีผมขนเป็นต้นห้าทาตุบบพิจารณาร่างกายโดยความเป็นธาตุหกนวสีวิธิกาบบพิจารณาร่างกายที่เป็นศพมีลักษณะต่างๆก้าอย่างการพิจารณาเวทนา คือความรู้สึกอารมณ์9้าอย่าง 1. สุข 2. ทุกข์ 3. ไม่ทุกไม่สุข 4. สุขประกอบด้วยอามิตรคือเหยื่อล่อมีรูปเสียงเป็นต้น 5. สุขไม่ประกอบด้วยอามิตร 6. ทุกประกอบด้วยอามิตร 7. ทุกขไม่ประกอบด้วยอามิตร 8. ไม่ทุกไม่สุข ประกอบด้วยอามิตร9ไม่ทุกข์ไม่สุขไม่ประกอบด้วยอามิตรการพิจารณาจิต16อย่าง 1. จิตมีราคะ 2. จิตปราศจากราคะ 3. าจิตมีโทสะ 4. จิตปราศจากโทสะ 5. จิตมีโมหะห จิตปราศจากโมหะ7จิตหดหูแปจิตฟุ้งซ่าน9จิตใหญ่คือจิตในฌาน10จิตไม่ใหญ่คือจิตที่ไม่ถึงฌานสิอจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าสิองจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่า 13. จิตตั้งมั่น14จิตไม่ตั้งมั่น 15. จิตหลุดพ้น 16. หจิตไม่หลุดพ้นการพิจารณาธรรมแบ่งออกเป็นห้าส่วนหนึ่งนิวรณาบับพิจารณาธรรมที่กั้นจิตไม่ให้บรรลุสมาธิที่เรียกว่านิวรห้าสขันธบับพิจารณาขันห้า คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ 3. อายตนะ บ, บัพพิจารณาอายตนะภายในหคือตาหูจมูกลิ้นกายใจ 4. โพุทชงขบัพพิจารณาธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้เจ็ดที่เรียกว่าพวทชง 5. สัจจะบัพ พิจารณาอริยสัจสีอันหนึ่งการพิจารณากายเวทนาจิตธรรมทั้งสี่ข้อนี้นอกจากมีรายการพิเศษดังกล่าวมาแล้วยังมีรายการพิจารณาที่ตรงกันอีกหกประการคือ 1. ที่อยู่ภายใน 2. ที่อยู่ภายนอก 3. ที่อยู่ทั้งภายในภายนอก 4. ที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา 5. ที่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา 6. ที่มีทั้งความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาอานิสงส์สติปัฐานครั้งแล้วส่งสรุปผลของการปฏิบัติในการตั้งสติสอย่างนี้ว่าจะเป็นเหตุให้ได้บรรลุผลอย่างใดอย่างหนึ่ง คือบรรลุอรหัตผลในปัจจุบันถ้ายังมีเชื้อเหลือก็จะได้บรรลุความเป็นพระอนาคามีคือผู้ไม่กลับมาเกิดในโลกนี้อีกคือจะได้บรรลุเป็นพระอริยะเบื้องต้นขึ้นไปภายในเจ็ดปีเจ็ดเดือนลดลงมาโดยลำดับถึงภายในเจ็ดวัน